สนาในขั้นเริ่มแรกที่พระพุทธเจ้ารงประกาศเองและสาวกท่านช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้บาบางลงโดยลำดับในข้างนั้นไม่ค่อยจะว่างขวางคือมีแต่เนื้อเนื้อขั้นต่อมานานเข้านานเข้าไป เนื้อก็ไม่ค่อยปรากฏมีแต่น้ำน้ำําเลกลายไปมีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ไปคือมีแต่พิธีตองไปที่ไหนมีแต่พิธีศาสนาจริงๆมองไม่ค่อยเห็นจะมีแต่พิธีทั้งนั้นเต็มไปหมดทีนี้พูดที่จะยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์กับศาสนาจริงจิงก็เลยยึดไม่ได้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นศาสนาเพราะการแสดงออกใครก็ ผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องศาสนาทั้งนั้นในศาสนาเลยทําให้พิธีดีตอง น, นี่เลยทําให้คนดุ้งไม่อาจจะเข้าถึงศาสนาได้อย่างแค่จริงมีเป็นปัญหาอันหนึ่งที่เวลานี้มีมากมายกลายกองนและเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นด้วยไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาส่วนที่หลักเกณฑ์มีกินกระทกับค่อยเสื่อมค่อยหายไปโดยลำดับ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 เกี่ยวข้องไปด้วยแล้วอย่างไรเรื่องเปลือกเรื่องกับพี่นี่จะได้ถูกเสกสรรเข้าไปเป็นแก่นเป็นหลักเป็นความจริงของศาสนาทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ใช่ความจริง น, นี่เป็นเรื่องที่น่นามิตกอยู่มากศา ส, สนาแท้ๆท่านไม่มีอะไรมากมายกายกองนอกจากสิ่งที่จำเป็นทำลงไปแล้วเกิดประโยชน์เท่านั้น เช่นศีลอย่างนี้รับศีลก็ต้องยุ่งไปหมดมาไม่ทำรับศีลก็เสียใจนั่นางอะไรอะไรก็ต้องรับศีลรับศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วการรักษาศีลไม่ทราบรักษาอย่างไงกันนี่อันสำคัญแต่รับวันย่างค่ำมีงานที่ไหนพิธีที่ไหนอ้า ว, อ, าวอยู่แล้วอันนี้กองทัพเทวทัน อ๋อต้องขึ้นนะก่อนนี่หว่าไปดรอเสียก่อนการรับสีก็มีเกตนาอยู่ภายในใจเป็นผู้ชี้ขาดหรือการรับรองในความเป็นสีนุงนตนก็มีเท่านั้นถ้าเป็นคารวาสทั่วๆไป คือศีลทั่วไปเป็นศีลห้าศีลแปดอย่างนี้ศีลที่เป็นเพศอันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักพระวินยัยเป็นศีลเนรศีลพระเ น, นี่ยแต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไม่ได้มากมายกายกองอะไรทำพิธีก็เอาถวายทานก็ฟาดกันจนกระทั่งหมดคัมภีงบางที นั่งฟังไปจนจะเหงานอนจะนอนหลับถวายทานไม่ทราบว่าถวายอะไรตอนนี้ยุ่งไปหมดไล่มาโมโ้โลกระทานี่มาถวายทานดีไม่ดีอยากจะจะอวดภูมิตัวเองด้วยบ้าได้เรียนมามากเลยรู้มากไอคนอื่นเขาสะจันซะมั่งไอภูมิน้ำลายนั่นนี่อย่างนี้เป็นต้นตการเมื่อไรแล้ว้ ผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันทําให้เสียวเวลาเวลาอะไรมันจริงอะไรมันปลอมหรืออะไรมันยืดเยื้ออขอยจะเข้าถึงตัวจริงเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ไม่ทราบทําเพื่ออะไรเพราะฉะนั้ในในวงกรรมฐา น, านท่านถึงไม่ค่อยมีเรื่งพิธีที่ตองอะไรอยากจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีว่า ง, งั้นพอเหมาะ บางทีก็ต้องอารมณ์ผ่อนผันทั้ง ท, งท้งที่ก็ทราบอยู่แล้วมันก็มีเพื่อกิจใจผลถ้าเดินเดินไปตามนั้นอ้าวกิจใจนี่การจะเป็นประโยชน์นั่นก็เป็นโทษไปเกียรพอผ่อนผันนานยาวก็ผ่อนไปบ้างในวาะต่อไปค่อยเตือนกันค่อยบอกกันให้รู้ลงรู้ลาวอ้อวันนี้เป็นไง <c oughs>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 ตอนนี้เป็นท่านประกาศทางลูกขมูลนะที่นี้เป็นลูกขมูลฤๅษีนาสนังแล้วก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเถอดบางทาที่แต่ก่อนก็สอนให้อยู่ลูกขมูลลวมไม้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการบวช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 คือการบวชนั่นเองท่านเอาจริงเอาจังสอนแล้วไล่เข้าป่าเข้าเขาไปเลยให้ประพึติปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุแล้วจะออกประกาศสอนประชาชนก็ทีนี้เป็นไปตามปฏิญาสายของท่านผู้ที่มีอํานาจวาสนาหรือความรู้ความฉลาดลึกตื้นอย่างละเอียดมากน้อยเท่าไงท่านก็สั่งสอนประชาชนไปองค์ไหนที่ท่านม่เกี่ยวข้อง มัทนาท่านไม่มีอย่างนั้นท่านก็ไม่เกี่ยวเช่นพระอัญญาโกลทัญญาไอยู่ในอะไรสัตทันมีช่างอุปธรรมประถงนมตั้งสิบเอ็ดปีผ้ายอมได้ดินด้วยดินแดงคือไม่ไม่มีอะไรจะย่อมจำเป็นก็ย่อมผ้าโดยดินแดงถึงวารแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปเลยองนี้ปรากฏว่าได้สอนเฉพาะพระปุณามัน ปุรนัมตณีบุตรเพิ่งเป็นหลานชายอันนี้เป็นพร ะ, ระธรรมก็ถึกเอกครบับปุรมัมตนีบุตรนี้เป็นหลานชายของพระอัญญาโกศนั่นเนี่ยพรากฏว่าสอนองค์เดียวเท่านั้นนังท่านท่านไม่สนใจกับใครเลยนี่เป็นนักตันยูหรือภาษาวกองค์แรกเที่ยวทีได้บรรลุธรรมโหงที่ท่านมีอำนาจวัฒนาในทางในท่านก็เป็นไปตามเรืเ่องของท่านเองเช่นภาษาดิบุตรพระโมคคันลา เป็นผู้มีอำนาจวาสนามากมีความรู้ความฉลาดมากอย่างภาษาอับกฤษการแนะนําสั่งสอนก็กว้างขวา ง, วางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เหมาะสมดังนั้นด้วยความฉลาดในการสอนพระโมคคัลลาก็เป็นผู้สมนุษย์ตรงเด็กเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านโดยลําดับนำดับ น, นี่เมื่อถึงขั้นอรหัตตาภูมิแล้วเป็นนิสัยวาสนาล้วนๆไม่มีกิเดชเข้าเกี่ยวปนท่านจะโอรวมสั่งสอนประชาชนพลเมืองมากน้อยเพียงไร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 ทั้งทั้งที่ฝ่าเท้านั้นไม่ใช่กิเลสแต่จําเป็นก็ต้องรับรับพวามกทบกระเทือนไปด้วยถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการรบกับกิเลสนะบางองค์ก็ตาแตกถ้าจะกขูบานตาแตกทั้งสองข้างเลยเพราะไม่นอนต้องเป็นเวลาสามเดือนฝึกกระมานอย่างเต็มที่จนตาทั้งสองข้างแตกแต่ใจสว่างจ้าขึ้นมาแทนกันแทนที่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 นี้พวกเราก็เหมือนกันไม่ใช่กิเลสมันอยู่ห้องน้นเรามาอยู่ห้องนี้แล้วขังกิเลสไว้ในห้องน้นเรามาอยู่สบายในห้องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราอยู่ในห้องไหนกิเลสอยู่ห้องนั้นเราอยู่ที่ตรงไหนกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นการปลึกทรมานเราตรงไหนกิเลสก็เป็นการฝึกทรมานกิเลสตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นความทุกข์ในการฝึกผลกิเลสเช่นเดียวกันคือเราต้องได้ไดยอมรับความทุกข์ เนั่งมากมันก็ทุกเดินมากก็ทุกนอนมากก็ทุกนอนพิจารณากิเลสนะกําหนดภาวนามันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นชื่อว่าประโยคพยายามที่จะแก้กิเลสแล้วมันเป็นความทุกข์ด้วยกันแมจาจะเป็นการอดนอนผ่อนอาหารมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เพื่อจะแก้กิเลสนี่ยทุกข์ก็ต้องยอมรับการขัดตกบกพ่องอะไรอะไรก็ตามมันเป็นความฝืดเครืองในการในความเป็นอยู่ก็ยอมรับอะไรต้องยอมรับยอมรับ เมื่อเข็มทิศอันยิ่งใหญ่มุ่งต่อตอต่อทำเพื่อคือแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วอะไรเราต้องยอมรับกันทั้งนั้นไม่ยอมรับไม่ได้ที่เกลียดมันอยู่กับเราเราไม่ยอมรับความก้ากวเกระเทือนความทุกข์ความลำบากเพราะการแกเกลียดด้วยไม่ได้ต้องยอมรับอทุกข์ก็ทุกยอมทุกข์ลำบากก็ยอมขอให้เกลียดมันค่อยหมดไปหมดไปเพราะเกลียดเป็นเครื่องก่อกวนภานจิตใจทุกบ่อนทําลาย ก็คือกิเลสนี่น่ะอย่างภายนอกนะครัที่เราเห็นนั่นแหละจะใกล้กันที่นั่นสะใก้กันที่นี่ออืเดินขบวนกั่นั่นเดินขบวนที่นี่ก็คือพวกบ่อนพวกทําลายทําลายบ้านเมืองทําลายที่นั่นทําลายที่นี่ทําลายหลายครั้งหลายผลกข้าไปมันก็แหลกไปเองนี่กิเลสมันทําลายเรามันทําลายอยู่มัน่ะมันบ่อนตรงนั้นมันบ่อนตรงนี้แต่เราไม่ทราบว่ามันบ่อนทําลายเราสิเราจะไปเข้าข้างมันเสียเนี่ยมันก็เลยตัวของเราก็เลยเป็น เรื่องความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เห็นโทษตัวเองเลยนี่มันเป็นความลำบากอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาแยกแยกออกเจีสิวกับศีกธรรมอันใดเป็นไปเพราะความก่อทุกข์ความลำบากแก่ตนให้ระ ม, มัดระวังว่าเกี่ยวกรบศีกธรรมคือความคิดประเภทนั้นผิดพยายามแก้ไขโดยถูกทางเราก็จะมีความพัฒนาสุขใจหรือผู้เกี่ยวข้องควรมีความพัฒนาสุขใจเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับผู้บาแห่งการแก้กิเลสคํำว่ากิเลสเราจะคิดว่ามันอยู่ที่ไหน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 ก็เช่นอย่างที่ว่ากรรมฐานกรรมฐานเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นงานใหญ่ต้องเป็นความทุกข์แต่คุณค่ามันอยู่ในความทุกข์มีนี่นี่คุณค่าอยู่ในความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานกิเลสทั้งหลายที่มีภายในกิจการของเรามันก็มีเหมือนกันมันต้องมีความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้การฉุดการลากกิตออกจากสิ่งหัวหมองออกจากสิ่งโงออสโปรตโสมมมนี้เป็นของธรรมยาก เพราะฉะนั้นกิงไม่ค่อยอยากจะทํากันสู้นอนจมกับกิเล็กไม่ได้มันก็เลยจําเป็นต้องนอนนอนจมเนั้นนอนบนอ่นเหมือนนั้นก่อความทุกข์บ่นให้ทุกข์แต่ว่ามีทางที่จะแยกทุกข์จากตัวได้บ่นกันไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็มีแต่ความบ่นระบายทุกข์ออกด้วยความบน่บบมบนมันก็ไม่ถูกแต่ก็จําเป็นต้องระบายนีระบายทุกข์ออกด้วยอาการนั่นด้วยอาการนี้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 พอสำคัญให้จิตเป็นผู้ได้รับทำคือเหตุผลเข้าสู่ดวงใจทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกจะเป็นไปโดยเหตุโดยผลก็เป็นความราบบ่าเริงดีงามการแก้แก่กิเลสถ้าไม่มีเหตุมีผลก็แก้กันไม่ตกต้องมีเหตุมีผลเป็นเครื่องแก้ไขกัน ก, กิเลสอ่านัำพีไหนก็ม ก, กิเลสเรา้วเข้าใจว่ากิเลสไปอยู่ในคมพีมัเสียนั่นสิะอันหนึง่ง อความโลภความโกรธความหลงกิเลสพันห้าทันหาร้อยแปดอะไรทำหนองนี้เข้าใจว่ากิเลสมันอยู่ทำเพียนเสียอ่านชื่อกิเลสได้มากๆเรียนได้มากๆว่าตัวรู้ตัวหลักนักปราดเสียเนี้ยนันผิดไปแล้วนั่นมันผิดกับเจตนาของธรรมเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเพื่อแก้กิเลสนั่นมันเป็นความต่างสมกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหนึ่งความสําคัญว่ากิเลสมันอยู่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 ความโลภชื่อมันอยู่ในคำภีร์ตัวกิเลสอยู่ภายในใจความโกรธคำภีร์ไม่ได้โกรธหัวใจคนมันโกรธต่างหากควา ม, ม ล, มมลุ่มหลงคมภีรไม่ได้ลุ่มหลงชื่อชื่อของกิเลสไม่ได้หลงไม่ไ้รุ่มหลงตัวกิเลสคืออยู่ภายในตัวของเราเองนี้เป็นตัวหลงต่างหากแน่การแก้จึงจต้องเข้ามาแก้ที่นี่แก้ที่อื่นไม่ถูกเนี่ยแก้โดยถูกหลักแล้วกิเลสมันจะค่อยเบ า, าบางลงไปลงไปให้ทวนดูเจ้าของเสมอ ดูภายนอกพระทบตทวนก็ามาภายในจึงชื่อว่าเรียนทำเราจะดูออกไปนอกนอกดูไปเรื่อยเจนลึกกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวถ้าดูเข้ามาในตัวดูไปข้างนอกเทียบเคียงเหตุเทียบเคยเีเ ย, เคยงผลแล้วมันก็มีสัตว์มีส่วนที่จะลงกันได้จิตใจก็ปล่อยวางลงไปได้กส็สบายสบายมีวิธีเรียนวิธีปฏิบัติต่อพิเรนให้ปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งทบทวนมากๆทบทวนทวเรื่องของตัวเองพิจารณาเรื่องของตัวเองให้มากๆเพราะมันผิด เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในใจตลอดเวลาที่เราเผลอสติแม้แต่เราไม่เผลอมันยังโผลออกมาได้บางทีมันออกมาต่อหน้าต่อตาแก้ไขมันไม่ได้ก็มีอันไหนที่มันสยู่นวิสัยก็ยอมไปก่อนอันไหนที่อยู่ในวิสัยก็ควรพยายามแก้ไขมันไปนี่แหละการแก้พิเลยกทุกยากลําบากก็ตามเป็นงานของเราเพื่อรื้อสิ่งที่ เป็นเสีย้ยมหนามอยู่ภายในจิตใจออกได้แก่กิเลสทั้งหลายมันเป็นเสีย้ยมเป็นหนามทั้งนั้นแหละพยายามถอดถอนออกไปโดยลำหนับชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวันทุกวันนะเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งละ ว, วันนี้ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งละมันจะจะหมดไปเรื่อยหมดจนกระทั่งมันมีไรเหลือมันจะผ่านไปเรื่อยชีวิตทั้งขันร่างกายผ่านไปเรื่อยจนจะไม่มีไรเหลือติดตัวแล้วก็เรียกคนตายเมื่อมันไม่เหลือติดตัวแล้วเรียกว่าคนตายด้วยกันทั้งนั้น คนก็าตายสัตว์ก็ตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวชาวฮันจึงต้องรีบเล่งค้นควายก่อสร้างคุณงามความดีที่จะไม่สูญหายไปไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ติดแน่กับใจทันย่กบรรสร้างวาสนาบารมีวาสนาคือทําเครื่องอยู่นั่นเองจะเป็นอะไรไปทําเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเ ค, เครื่องพึง่งพิงเครื่องส่งเสริมจิตใจเหมือนเด็กคนมีบ้านมีเรือน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 เมื่อมีธรรมแล้วพอมีความร่มเย็นเป็นาาจุขภายในจิตใจแต่เพร อ, อย่างยิ่งให้สร้างก็ตีปัญญาขึ้นให้มาแก้กิเลสในปัจจุบันนั่นแหละให้มันเห็นชัดๆแก้ไปได้มากน้อยมันก็รู้เองมันเต็มอยู่ในจุดนี่แหละมันวิ่งออกทางขันทางตาทางหูทางจมกูกทางนิ้นทางกายอออืเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดแต่เวทนากิเลสมันเกิดขึ้นด้วยถ้าสติไม่มีเกิดความเดือดร้อนเสียใจเพราะทุกข์ที่นั่นเจ็บปวดที่นี่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 ก, กิเลสมันแทรกขึ้นมาอย่างนี้ความทุกข์ที่นั่นความเจ็บปวดที่นี่แล้วก็จะเกิดความสั้งพันขึ้นมากลั ว, วจะไม่หายกลัวจะตายบ้างจะตายวันนั้นจะตายวันนี้อะไรมันหากคิดไปคิดเรื่องเหล่านี้มีแต่เรื่องที่จะขอบความทุกข์ความลําบากให้เ จ, จ็จิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสเป็นเครื่อส่งเสริมกิเลสให้เราทราบไว้อการแก้กิเลสคือยังไง เ, เกิดก็เกิดให้รู้เรื่องความเกิดเจ็บก็ให้ทราบมันเจ็บมันเรื่องของความเจ็บอันหนึ่งต่างหา ควเจ็บเป็นหนึ่งตผู้รู้เจ็บเป็นหนึ่งต่างหานีตายก็ให้ทราบมันตายอันไหนมันตายก็มันตายไปผู้ไม่ตายคือผู้รู้ก็ให้มันอยู่นะผู้ศรีรุ่นไม่ตายไม่มีปัญช้าเอมาตังมาตังเปหมายจึงกิ่นนั่นเองพรีทิเรียดอยู่มันก็เป็นอมาตังเข้ามันพิเรียดสิ้นไปแล้วก็เป็นอมาตังแต่เป็นอมาตังที่ต่างกันเท่านั้นแหะอมาตังอันหนึ่งอมาตังทางมัตต์คือต้องหมุนต้องเบียนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปอมาตังอันหนึ่งไม่เกิดต่อไปอีกและไม่ตายมีเป็นอมาตังของความมื มีสองอย่างเราเรียนให้รู้อันใดที่จะมาเกี่ยวข้องมาทำลายจิตใจให้ทราบว่านั่นคือฆ่าศึกให้รีบแก้ไขกันทันทีให้มันทราบนี่เราเรียนเรียนธรรมคือเรียนเรื่องขันสําคัญที่สุดก็คือขันระหว่างขันกับจิตนี่มันกระทุกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดืนเดืนนั่นนอนรุดทุกอิริยาบถมันกระทุกระเทือนอยู่เสมอถ้าเรามีสติปัญญาก็จะเป็นหินรับอยู่เสมอและเรื่องความกระเทือนทั้งหมดนี้เป็นหินรับปัญญาคือเป็นเครื่องปลุกปัญญาให้ปัญญาได้ตื่นทันทันกับเหตุการณ์ รู้รอบความคิกกับมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ซึมซากระพันจในจิตใจไม่ต่อยยาพิกเข้าไปพานในใจใจก็ไม่เดือดรอดกก้อนไม่โวะวายถึงว่นลาจากตายก็ตายไปอย่างสุขโตเพราะความรู้รอบรอบแล้วแน่มันก็เป็นอย่างนั้นเรียนร็นธรรมเยนอย่างนี้อะ่ะจนแก้กิเลส ก, กั็แก้กิเลสอย่างนี้เองกิเลสคือความสําคัญมั้นหมายต่างๆนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจากจิตดวงเดียวแก้ให้มันทันยิ่งเวลา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 ปฏิบัติเพื่แก้กิเลสแก้อย่างนี้กิเลสอยู่ภายใน จ, จิตใจคือความก่อนความลำเ อ, เอียงด้วยแง่ต่างๆอันเนียวกว่ากิเลสทำก็คือสติปัญญาพิจารณามันรู้เรื่องรู้ราวกับสิ่งแบบนี้แล้ปล่อยวางกันไม่ตามสภาพของมันด้วยความรอบครอบแล้วนะถึงคราวที่จําเป็นมันไม่เอาอะไรมาแสดงน่ะมันเอาของจริงที่เคยมาแสดงนี่แหะทุกกระทุกตัวเก่านั้นนหละที่เคยเป็นอยู่น้ำบัดนี้ะจะมาแสดงในเวาราสุดท้ายคือเวลาตายไม่เอาทุกมาจากไหน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 น้ำให้ลงลงไปเต็มส่วนของน้ำไฟเป็นให้เป็นไฟลงไปเต็มส่วนของไฟของลมอา้าวธาตุขันอะไรมันตั้งขึง้นมันดับไปให้ตั้งขึง้นดับไปตามส่วนของมันเต็มส่วนของมันผู้รู้ให้รู้อยู่เต็มส่วนของตอนเองเมื่อไม่ไม่ไม ข, ข้าวกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายกันไม่รบกันต่างอันต่างจรินก็ไม่รบไม่รบมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสบายนี่แหละท่านเนานรียนธรรมแก้ที่เหลืงแก้อย่างนี้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 คุณงามความดีทั้งหมดเราจะสร้างด้วยอะไรก็ตามด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาชนะที่จะรับคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ได้จะจิตแน่ลงที่จิตนี้หมดไม่ไปไหนจะจําได้ไมาได้ก็ตามเถอะการทําบุญสุนทานต่างๆมากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่หนไม่จําเป็นจะต้องจําลงในที่จิตหมดลงในจิตนี้หมดจิตเป็นผู้รับไว้ทั้งหมดนะแล้วคุณความดีเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตพ้นหพ้นจากโลกไป พ้นรวามน่นาดงความดีเนี่ยเนี่ยลักศาสนาส่วนใหญ่ท่านสอนตรงที่นี่นี่ไม่เสียเว่ร่ำไล่ละ ม, มีพิธีรีตองอะไรเราอย่าไปเดินจงกลมเป็นพิธีก็แล้วกันถ้าจะทำให้เป็นพิธีมันก็เป็นได้นั่งสมาธิก็สักแต่ว่านั่งสติสตังไม่มีเลยนั่งสัปปง ก, งกงบงันแล้วหลับ ก็ก็นั่นนั่นแหละมันพิธีอะไรกัรู้พิธีบ้านะว่าไงเดินยังกรมก็เดินเดินไปงั้นเห็นก็เดินก็เดินสติสตังไม่ทราบไปอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึ่งเลยพอไปเดินนะวันนี้เราได้เดินยังกรมทันั้นชั่วโมงเท่านี้นาทีดีใจดีใจกับลมกับแรงเป่นไม่เรื่องอะไรน่าหล่อมเป็นพิธีไปเทียเดินยังกรมพอเป็นพิธีนั่งสมาธิพอนาพอเป็นพิธีอะไรเลยพอเป็นพิธีหึงกิเลสมันไม่ใช่เจ้าพิธีนี่นะ มันตัวเหยียบย่าทําลายคนโดยตรงตรงแก้มันลงที่ตรงนั้นแก้ที่ตรงนั้นอยู่ไหนมันก็เป็นความเพียร น, นั่งอยู่ก็เป็นความเพียรถ้ามีสติมีปัญญารักษาจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วเอียบททั้งสี่เป็นความเพียรกันทั้งนั้นนะเนี่ยให้มีความเพียรแบบนี้นะนี่แหละคือว่าเดินตามหลักศาสนาเดินตามแนวทางของผู้แก้กิเลสแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางประทำแนวทางของผู้ที่จะสิน้นกิเลสจะสิ้นในแบบนี้